ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเทา่าไห้นแต่ระปโตรยานกำลังนำเสนอเรื่องสังโยชน์ที่พระรยบุคลทันละได้ลดลันกันลงไปคือเป็นการมองปรากฏการณ์ทางจิตของพระรยบุคคลในด้านที่เป็นการดับกิเลส ซึ่งกวามหมายความอาการเป็นบติของใครก็ตามก็คงดำเนินไปบนเส้นทางสายเดียวกันก็คือความเพียรพยายามที่จะลดกิเลสในชั้นนี้เป็นอาการภายในจิตว่าการตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ส ง, งบอยู่ภายในจิตโดยซ้าไปเวลาเกิดขึ้นกลุม้มใจท่านก็เรียกชื่ออย่างอื่นเไม่เรียกชื่อวสังโย์ ก็ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในตอนที่ว่าด้วยอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกิริย์รสผภัณธรรมารที่มากระทบกันก็ทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติสังเกตดูจิตของตนว่าเวลาตายรูปเป็นต้นเนี่ยสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดก็ให้รู้ถ้าไม่เกิดก็ให้รู้ แต่การปฏิบัติก็แตกต่างกันถ้าสังโยชน์เกิดก็ต้องเพียนพยายามลดถ้าสังโยชน์ไม่เกิดเนี่ยกุศลและธรรมคนใดคนหนึ่งเกิดก็เพียนพยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเองเอาไว้ก็ให้นานที่สุด่เท่าที่จะนานได้สังโยชน์ในข้อต่อไปเป็นช่องว่างระหว่างพระโสดากับราณาคาก็คือพระสกกาคามี บางทีก็เรียกว่าสกิตาคามีหรือสกิตาคามีแปล ว, ว่าผู้จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวอีกชาติเดียวก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระรอรหันต์ท่านบอกว่าเป็นการลดราคโทสะโมหะให้เบาลงถึงว่าการตามความจริงแล้วการนิบัติของคนทุกคนคนดีทั้งหลายในโลกไปส้ำไปเนะย มันก็ต้องลดกิเลส ท, ทั้งนั้นแหละถ้าไม่ลดกิเลสลงมามันก็เป็นคนดีไม่ได้แม้ว่าคนเรานั้นจะนับถือพุทธนับถือคริสต์นับถืออ i s l ามนับถือพราหมณ์ซิกินดูอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าชื่ออย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเ อ, อ๋ฉันยกตัวอย่างว่าการบัตรของเราระดับศีลเนี่ยมันก็ลดกิเลสระดับแรงๆคือราคะโลภโทสะโมหะระดับแรงๆโลภจนขนาดว่า ฆ่าคนอื่นหรือโทสะจนขนาดฆ่าคนอื่นโลภะขนาดป้นจี้หรือราคาขนาดงคงขืนโลภะหรือว่าโมหกะก็แล้วแต่นะฮะขนาดไปหลอกลวงต้นตุนคนอื่นเนี่ยแล้ก็ต้องลดลงไปแล้วโดวยลําดับพอมาถึงระดับพระโสดาบันเนี่ยคือนอกจากว่าท่านละ ศักกายติติวิจิกิชาศีลปฏิตรมากังกลาวว้ในวันก่อนแล้วเนี่ยนั่นเป็นการละดโดยเด็ดขาดแต่แท้จริงแล้วเนี่ยท่านปิดประตูจะตุระบายเพราะว่าไอ้ราคาโลภโทสะโมหะที่แรงรงเนี่ยท่านก็ลดลงไปได้เพียงแต่ว่ายังมีครอบครัวยังมีการเสพกรามอยู่พระสกทาคามีนั้นไม่ได้พบตัวอย่างชัดเจน อาจจะมีนะฮะแต่ว่าไม่เคยพบว่าท่านมีครอบครัวหรือเปล่าเพราะที่เคยพบเนี่ยไม่มีครอบครัวก็แสดงบราคาโะโอภะโธสะโมหะมันลดลงไปจนขนาดไม่มีความต้องการที่จะมีครอบครัวทีนี้ทํำยังไงว่าเราต้องการโดยเสด็จรอยอยูุ่คนบาทของพระพุทธเจ้าตามร้อยเท้าพระรยาบุคคลเนี่ย มันก็ขนาดนั้นก็คงยากกันนะแต่ว่าทํอย่างไงว่าอย่ารู้อำนาจแก่โลภะจนถึงทําทุจริตหรือพูดทุจริตอย่ารู้อำนาจแก่ราคะจนไปละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นแม้แต่มองด้วยสายตาแท้โลมมันก็ไม่ควร ก็ถือว่าขาดบัญญาตักาิ์ขาดสำนึกที่ดีัวแสดงว่าถ้าเราบรรเทาราคาลงมาได้ขนาดนั้นก็ดีไม่เยอ ะ, ะดีเยอะนะครับก็ในส่วนโทสะเนี่ยจะทําทยังไงลดลงมาอย่าถึงกับประทุษร้ายชีวิตบุนคคลอื่นเพราะโทสะตามปกติเนี่ยถ้าจิตคนปกติประสมควรนะฮะจะเกิดในคนเป็นหลัก แล้วคนก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเกิดโทสะหมดทุกคนเจนเด็กเล็กๆนี่ไม่รู้จะเกิดโทสะยังไงหรือผู้เฒ่านี่ไม่รู้เกิดโทสะยังไงคนเมาเหล้านี่ไม่รู้จะเกิดได้ยังไงคนบ้านี่ไม่รู้จะเกิดโทสะได้ยังไงแสดงว่าเรามีสติปัญญาเหตุผลพอสมควรแล้วเนี่ยจะลดโทสะลงไปได้เป็นนั้นมากมันมีคนบางคนนะ่ะจะเอายังไงกับเขาอะ ตัยโบราณท่านสอนว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนคนเมาทีนี้เราไปเจอคนป่วยก็อย่าเอาเรื่องกดป่วยคนป่วยนั้นสุขภาพกายท่านไม่ดีสุขภาพจิตท่านก็แปรผันไปเวลายามปกติท่านก็ไปเป็นอย่างนั้นแร้วเพราะงั้นอนมองท่านโดยการให้อภัยตัว น, นี้เราสังเกตว่ามันมีปัญญาเนี่ยที่เป็นอมโมขงคือความไม่หลงมันจะอยู่เบื้องหลัง แล้วจะขอบคอยวิเคราะห์วินิจฉัยตัดสินลักษณะของอารมณ์ให้มันเกิดนะบางทีมันก็ห้ามยากแต่ทำยังไงว่าเกิดแล้วบรรเทาได้มันก็เหมือนกับเราไปในเรือแล้วเรือมันเกิดรั่วเนี่ยไอ้รั่วมันก็รั่วไงมันจะทำยังไงให้อุดได้คืออย่าถึงให้จุอย่าถึงก็จม แสดงเห็นว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องลดความรุนแรงของกิเลสที่พระเจ้าทรงแสดงถึงกายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตแต่ที่จริงมันเป็นหยาบกลางละเอียดนะฮะของกิเลสหมายความกิเลสที่หยาบแรงแรงเนี่ยกายก็ทุจริตวาจาก็ทุจริตใจก็ทุจริต พอกิเลสมันลดลงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไม่ถึงประทุษรายชีวิตไม่ถึงประทุษร้ายทรัพย์สินไม่ถึงประทุษรายในทางเพศของบุคคลอื่นมันก็กลายเป็นการดุดจั ด, ดิตแล้วพอถึจุดหนึ่ง 101, ตัวนี้มันก็ลดลงไปก็อย่างน้อยก็ไม่ถึงก็โกหกหลอกลวงคนอื่นไม่ถึงก็เกิดยุ้ยรำตามให้รั่วสร้างความแตกแยกที่เรียกว่าสซเชีย หรือไม่ถึงก็พูดคำหยาบคายร้ายกาศดา่าทอหรือว่าพูดเพเื่อเจื่อหรือหลายๆ า, ายสาระทั้งหล น, นั่นก็เป็นหลักการที่ต้องเพียรพยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่า น, นั้นลงไปคือคนเราสตใดที่ยังไม่เป็นพระยาบุคคลรเราตัดขาดไม่ได้ปัญหาสำคัญเราต้องพยายามเอาชนะใจตัวเอง ตามปกติแล้วคนเราชอบชนะค่าขานคนอื่นชอบบุกแพ้เอาชนะกับบุคคลอื่นแล้วก็ที่จริงก็คือต้องการชนะแต่ว่าถ้าเราถามว่ามันได้อะไรความคิดที่อยากจะชนะอย่างเดียวมันก็ยุ่งแล้วเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยมันชนะจะก่อเวรคนก็จะแก้แค้น เวลาถ้าเราแพ้เราก็เกิดทุกโธมนัสก็เกิดคับแค้นหรือต้องการจะแก้แค้นอีกแลแล้วมันก็เผารลนใจด้วยกันชนะก็ใจก็ถูกเผารุนด้วยความโศก ค, ความโธ่มนัทความเสียใจความคับแค้นใจแพ้จิตใจก็ถูกเผารลนด้วยความคับแค้นความอึดอัดความโท่มันัทเหมือนกันตัลงเป็นเหตุถ้เกิดทุกข์ แต่ตอนแพ้เนี่ยอาจจะเกิดอาการปยาบาลด้วยแต่ในขณะเดียวกันชนะก็อาจจะเกิดผยองลำฟองด้วยแต่เราสังเกตว่ามันก็เป็นอาการของกิเลสกับอาการของความทุกข์เราแสแดงว่าพวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มของสมุทัยสัตว์กับทุกขสัตว์แล้วก็มองเห็นโทษของกิเลสก็ได้ของทุกข์ก็ได้แล้วก็เพียรพยายามที่จะบรรเทาความคิดตัวเอง แล้วแนวมโนสุดจดิตเนี่ยแนวใจที่สุดจดิตให้ลองสังเกตว่าไม่ได้พูดถึงกว่ารการหมดกิเลสแต่พูดถึงความสามารถในการที่จะบรรเทาความคิดหรือว่าบรรเทากิเลสทึ่เกิดขึ้นภายในใจถามมาโกรธได้ไหมก็คงจะโกรธได้แต่อย่าถึงกับาคาดปยาบาทอย่าถึงกับจงเวอย่าถึงกับผูกโกรธ ไม่ใช่ว่าอาฆาตกันจนสิบ1กปีแห่งความหลังไม่มองหน้ากันกันเลยก็เรียกว่าอะไรละ่ะฮะเรียกว่าไม่เผาผีกันมันรุนแรงไปเราอาจจะโลภจะททำยังไงว่าอย่าละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นแล้วก็ควบคุมทิศทางของความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ประกอบสมาธิเพื่อกานได้มาในทางที่ชอบที่ควร อาจจะไม่เข้าใจคนเรามันรู้อะไรไปไม่ทั้งหมดหรอกจะทำอะไรอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปนี่ก็เป็นหลักการสำคัญในการที่จะบรรเทาความรู้สึกก็โดย เ, เสด็จรอยบาทของพระพุทธเจ้าหรือตามรอยเท้าพระย บ, บุคคลไป พระยาบุคคลท่านบันเทาขนาดว่าปิดประตูนรกได้เราก็บันเทาให้ปิดประตูนรกได้ก็แล้วกันของท่านตัดขาดนะจึงไม่ตกนรกแต่เราก็บันเทาเพื่อถึงก็ตกนรกเพราะว่าทางตกนรกเนี่ยบางทีก็ทรงแสดงไว้แค่สามทางนั้นเองคือทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าอากุศลกรรมบด คืทางดำเนินของคนที่ไม่ฉลาดหรือคนโง่เรือกดำเนินไปด้วยความโง่ปราะนักวิชารให้บรรเทาความคิดเหล่านั้นคือไม่ถึงกับโลภอยากได้คนอื่นไม่ถึงกับพยาบาทปองร้ายบุคคนอื่นไม่ถึงกับเห็นผิดจากตัวนองของธรรมม้วก็ถือว่าใช้ได้ ประเภทต่อไปเป็นการพูดถึงพระอนาคามีอนาคามีนั้นแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วคือหมายความว่าเมื่อท่านตายไปท่านก็จะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุดทาวารที่แปลว่าที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วก็จะบรรลุมรรคผลที่สุทาวารทั้งท่านเกิดท่้นเด็ก แล้วก็จะนิพพานไปเราเคยพบร่องรอยหลักฐานว่าพระนาคามีเนี่ยท่านย้อนกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบันมาช่วยแบ่งเบาภารกิจในพระพุทธศาสนาเ ป, ป็นต้นบันแต่ก็ไม่มีที่ว่าตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะว่าท่านจะไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วนะฮะโดยการเกิดคือมาสู่โลกนี้โดยการเกิดนะไม่ได้มาเอ่อไม่มาด้วยการอื่นคือการอื่นก็ทั้งกมมานะอย่างยกตัวอย่างที่ตอนพระพุทธเจ้าประชุมพระสงฆ์ขนาดใหญ่เป็นพระอรหันต์ล้นล้ว น, ลวนแล้วก็เป็นกษัตริย์ล้นวนเนี่ยคือพวกราชวงศ์สักยะกับโกดียะที่กูตาคารสาลาป่าหมาวานันเมืองไบสลี ส่งแสดงมาหาสมัยสูตรเป็นเรื่องที่เรื่องมาหาสมัยสูตรก็มีพระอนาคามีมก้าพพระพุทธเจ้าก็เป็นอนาคามีพรมแล้วก็มาแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองจากประสบการณ์ตรงของท่านแต่ก็มีตอนหนึ่งที่ถือว่าคมมากนั่นคือบอกว่า เยเกจิบุทังสสังกตาเสนาเตคมิสันเดียปายภูมิงปายามานุสังเดหังเดวกายังปริปุเรศสันติแปลว่าบุคคลทั้งหลายถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นจากไม่ไปสู่อบายเลยก็ล่ากายที่เป็นมนุษย์แล้วจากยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏคือตายปั๊บก็เกิดปุ๊บนะฮะเป็นเทวดา ท, ท่านอุ ป, อปมาว่ากระดุษยะหลับแล้วตื่นขึ้นเวลานี้เราได้ยินบ่อยนะฮะคือคนที่เป็นนักปรารุนใหม่เนี่ยปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์ปฏิเสธเรื่องสังสารวัฏปฏิเสธเรื่องของกรรมแล้วใครพูดเรื่องนี้ก็หาวงมง่ายคือบางครั้งมันจำเป็นต้องพูดว่าก็พบกันชาติหน้าแล้วกันมันจะมีโอกาสพบกันหรือไม่ก็ตามนะ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื่องความเชื่อไม่ใช่ปัญหาเรื่องความรู้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยฮะแต่พระเจ้าท่านรู้ด้วยพยากระฐานทั้งหลายก็รู้ตามเราพุทธเจ้ารู้เห็นตามพระเจ้าเห็นเพรา ะ, ะบุคคลทั้งหลายนั้นไม่มีใครเคยมีปัญหาเรื่องความมีอยู่ของสวรรค์ของพรหมโลกของอบายาภูมิทั้งหลายเนี่ย เปลี่ยนแต ว, ว่าบางครั้งบางคราวเราไปสับสนในประเด็นทางภูมิศาสตร์คือาเราอ่านหนังสือในสังคมไทยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยำใหญ่แล้วก็ไม่ใช้หนังสือระดับปฐมภูมิเป็นหนังสือใช้ระดับย่อยๆลงมารือแทนที่จะใช้ข้อความในประเรดีโดกก็ไปใช้ตรงอื่น จะทำให้น้ําหนักบรรพาวายกตัวอย่างเช่นเวลาพูดเรื่องสวรรค์เนี่ยทุกทีเราก็อดไปพูดแบบพราหมณ์ไม่ได้พูดแบบพราหมณ์ที่เอาสวรรค์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็คือเขาบาสุเมศเอายอดเขาบาสุเมศเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นทาวดึงเอาลดลงมาก็เป็นที่อยู่ของทา่าจตุมารา แล้วน้องนัท ก, ก็ด้องนันก็กลายเป็นนักศิกวิทยาทรคุณทันทานโนปรัตรวากันมากมายก่ายองภูกสาอนนดาษพวกจตพันในคีรีพวกกินนอนกินอะไรอะไรตรา่งางๆเนี่ยฮะเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์หสัตว์โลกหิมพานเนีเราก็เอามาพูดกันมากแต่ว่าที่จริงและคำสอนในลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องของในศาสนาพราหมณ์ มันไม่ใช่ในาศาสนาพุทธคือาศาสนาพุทธไม่ได้สอนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แต่ว่าทรงแสดงถึงประโลกคือโลกอื่นเราจะเห็นว่าในชีวโลกคือโลกที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานแบบมนุษย์เนี่ยก็มีเป็นพันๆเกณฑ์มาตรฐานแบบเทวดาชั้นนั้นๆเนี่ยก็มีดวงดาวเป็นพันๆดวง พระเจ้าทรงรู้เห็นด้วยที่ไปจากสุขพระเจ้าสามารถสเสด็จไปปรากฏพระองค์ในสถานที่เหล่านั้นได้ปรานทั้งหลายท่านก็ทําได้เพราะจากการสังเกตเวลาท่านพูดเรื่องในรกสวรรค์เนี่ยท่านไม่เคยพูดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ท่านพูดถึงการไปเกิดด้วยผลบุญผลบาปอะไรคือไปอธิบายเรื่องกระบวนการของกรรม พูดเรื่องสังสรารวัฏความมีอยู่ของอบายมนุษย์สวรรค์แล้วก็พรมมโลกชั้นต่างๆแต่ไม่ได้พูดที่ตั้งทางภูมิศาสตรคือท่านก็ไม่เปรียบเพราะท่านรู้แล้วแต่และองค์นี่มันมีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านั้นเพราะฉั้นท่านไม่พูดกันคื อ, อยังนึกเหมือนกับคนในประเทศไทยนะพูดเรื่องพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันก็รู้ฮะทุกคนก็รู้ พูดถึงพระบรมรูปทรงมาพูดถึงพระที่นั่งอนั น, นตสมาคมพูดถึงรัฐสภาก็ไม่จําเป็นจะต้องอธิบายที่ตั้งในภูมิศาสตรพูดถึงเขาดินวานาอะไรอะไรเนี่ยเพราะต่างคนต่างก็รู้กันอยู่แล้วแต่อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆความสุขความทุกข์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้น เพรเราจะเห็นว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องสร้างนารกขึ้นเผาหลนตัวเองในชาติปัจจุบันเพราะวัตถุจริตทางกายทางวิ จ, จาทางใจเนี่ยมันเป็นนรกที่เราเห็นชัดเจนเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นเวรเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นการจองร่างจองบรานกันยังข่าวคราวที่อย่างการเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์ มีคนตายทั้ง80ขวนไม่น่าเชื่อนะพูดถึงวิธีการเลือกตั้งความใส่ใจการเลือกตั้งการเคารพสิทธิหน้าชี่ อ, อะไรแต่ไเนเขาเก้าวหน้ากว่าเราเยอะเขาเก้าวหน้ากว่าเรามากเลยเลืกตั้งต้อง 8-90% นะนะคนมาเลือกตั้งเนะี่ยก็เราอย่างอีกนานนะครับชดหน้าตอนบ่ายๆจะได้หรือเปล่า 80% 90% แต่ว่าจริงก็ยังมียังมีการค่ากันนั่นคือแสดงอาการของโลภะกับโมหะจนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทเป็นความขัดแย้งทางการเมืองบ้างเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดางบ้างอะไรต่อไรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เรื่องเงินกับเรื่องอำนาจหมายความอำนาจเนี่ยกลัวคนนั้นจะได้เมื่อเขาได้อำนาจละไรก็ได้เงินด้วยถามมาทำไมละ่ะเราก็อยากได้ใะเอง แล้วเสร็จแล้วก็ไปฆ่าเขาบอฆ่าเขาเราก็เป็นฆาตกรอนะ่ะแล้วเป็นฆาตกรเราก็ติดคุกตกลงมาไม่ได้ทั้งคู่นะเราสังเกตเลยมาไม่ได้ทั้งคู่ในนราทำการฆ่าคนอื่นนั้นบางครั้งบางคราวเนะี่ยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันบรรก่อนู่ข่าวแพทย์ที่อังกฤษเขาฆ่าคนมาตั้งเท่าไหร่ห้าสิบศพจับไม่ได้อ่จับไม่ได้ ไ, ไดล่ไม่ทันเลย ตมรวไม่เคยเอาทันได้แล้วก็โรยใช้วิธีการแบบอินเทอร์เนต็ตอ่อนโปรแกรมก็ไปใบเสร็จไปเสร็จอะไร ต, ต่างๆนี่ยโอ้มันมันเครื่องสมองกลเนี่ยไม่เบานะมันทำจนพิสูจน์ยืนยันได้ออกมาแล้วก็ถูกจับติดคุกถูกประหารเอ่อถูกจำคุกตลอดชีวิตต้นทัายก็ไม่ได้อะไรคนตายเขาก็ตายเร็วขึ้นแต่๋ยเขาก็ไม่ได้ทาบาป เราก็ตายช้าหน่อยแต่ว่าเราก็ทำบาปเยอะตอนชีวิตหลังตายเนี่ยคนเรานั่งก็ดีกว่าเราเขาไปดีกว่าเราเราะงการปิดประตูนรกเนี่ยที่จริงมันไม่มีอะไรมาแล้วก็เป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นลักษณะทางอารมณ์เป็นสภาพทางอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดท่าทีต่างๆที่เราจะมีต่อสิ่งทั้งหลาย จึงเราสัมผัสในขณะนั้นๆเนี่ยคือทำยังไงอย่าให้มันแรงจนถึงก็ออกมาเป็นการประทุสร้ายต่อคนอื่นวงกรอบตัวนี้ที่จริงก็คือกรอบของศีลห้าเนี่ยเป็นกรอบใหญ่แต่ว่าข้อที่น่าสังเกตคือเวลาทรงแสดงเรื่องมนุษยธรรมพระอ า, าจารย์ท่านอนธิบายว่ากุศลกับบทสิประการคือมนุษยธรรม หมายความว่าผู้ปฏิบัติดำเนินไปตามหลักของกุศลกำหนดสิประการนะครับมันก็เป็นมนุษย์ด้วยร่างกายด้วยแล้วก็ด้วยจิตใจด้วยในขนาดนั้นทีนี้ถ้าขึ้นไปได้ขนาดนั้นจิตมันประนีตขึ้นปันาการของราคะโลภโทสะโมหะมันจะลดลงไปพฤติกรรมที่แสดงออกมันก็กลายเป็นสุจริตทางกายท้งวา จ, จาทางใจก็สงบเปรนสงบภยัยสงบอันตราย ไม่มีความเดือดร้อนปัญหาสำคัญอยู่ที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยมันปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านพูดถึงความเชื่อในพระผุเป็นเจ้าพอความเชื่อในพระผุเป็นเจ้าเนี่ยมีแต่ได้ก็ได้แต่การไม่เชื่อนี่มีแต่เสียก็เสียเพราะเรื่องุาสนาเราก็เหมือนกันนะ การเชื่อบาป บ, บุญคุณโทษเจยมีแต่ได้ก็ได้การไม่เชื่อว่ามีบาป บ, บุญคุณโทษมีนรกสวรรค์รอเราอยู่เนี่ยมันมีแต่เสียก็เสียมันไม่มีได้อะไรเพราะถ้าว่าเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่เนี่ยก็ทําให้เรางดเว้นในส่วนที่เป็นบาปงดเว้นเศงที่เป็นโทษแล้วก็มาดําเนินสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นคุณ ความเจริญก้าวหน้าก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างน้อยก็อยู่ในโลกโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียนไม่ ก, กันไม่ประทุษร้ายกันท่านฟังทนายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาอย่างครัน้นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี